บทภาชนีติกานิสกย้ปาจิตตีเจ็ร้อยแผ้าห่มหนาราคาเกินสี่กังส์สัตภิกษุณีสำคัญว่าเกินขอต้องอบัณิตสกย้ปาจิตตีผ้าห่มหนาราคาเกินสีกังส์สัตภิกษุณีไม่แน่ใจขอต้องอบัณิตสกย้ปาจิตตีผ้าห่มหนาราคาเกินสี่กังส์ัตภิกษุณีสำคัญว่ามีราคาหย่อนกว่าขอต้องอาบาณิตสกย้ปาจิตตี Icana, ทุกทุกกฎผ players, ements, <Yes. S 1> ้าห่มนาราคาหย่อนกว่าสีกังสัดพิกษ์นีสําคัญว่าเกินต้องอบัตทุกกฎผ้าห่มนาราคาหย่อนกว่าสีกังสัดพิกษ์นีไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎผ้าห่มนาราคาหย่อนกว่าสีกังสัดพิกษ์นีสําคัญว่าหย่อนกว่าไม่ต้องอบัต